แต่เราก็ไม่กลัวสายตาถ้าเขาจะล้อนะเพราะว่าเราทำความดีแล้วนะผลดีก็เกิดขึ้นกับเราเองถ้าไม่ทำคนไม่ทำเขาก็ได้รับผลของเขานนะนะต้องกล้านะกล้าทำดีนะแล้วกลัวทำชั่วนะเวลาทำข้อสอบใครเขาจะลอกใครเขาจะใครจะตัดแปะทำรายงานก็ช่างเขาเราตั้งใจทำด้วยนาพันนำรายของเรา